11. การภาวนาอย่าห่วงความสงบวงเล็บเปิดสิบหกพฤศจิกายนพันห้าอห้าสิบในวงเล็บสองจุดจุดนาทีสสิบเก้าวงเล็บปิดการปล่อยก็เป็นการเสี่ยงแต่ว่าไม่ปล่อยเนี่ยไม่ได้การภาวนานี่เหมือนเราจะเดินข้ามสะพานไม้ไผ่เคยเห็นไหมตามบ้านนอกเป็นไม้ไผ่อันเดียวทอดข้ามคลองแล้วจะมีไม้ไผ่อีกอันหนึ่งอยู่ข้างบนเอาไว้ให้จับมีไม้ไผ่สองลำเท่านั้นแหละให้ข้ามคลอง ถ้าเรากลัวจะตกเราก็จับไม้ไผ่เอาไว้แน่นเราเดินข้ามสะพานไม่ได้ถ้าเราปล่อยมือแล้วเดินไปสองสามก้าจะตกเราก็จับอีกทีแล้วก็ปล่อยแล้วก็เดินต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราจับตลอดเวลานะเราจะไปไหนไม่ได้เลยต้องกล้าที่จะเสี่ยงเสี่ยงไม่ใช่เสี่ยงซุ่มไม่ยอมจับอะไรเลยต้องใช้หลักนี้นะ ช่วงนี้ควรจะทำความสงบเข้ามาก็ทำช่วงนี้สงบแล้วจิตใจมีกำลังรู้กายรู้ใจได้ต้องรู้กายรู้ใจอย่าไปห่วงความสงบต้องสู้ไปอย่างนี้